เราทำความดีต่างๆมาแต่เบืองต้นให้ทานรักษาศีนแล้วก็มาถึงที่สุดก็คือภาวนาที่เยวสูงสุดทานภาวนานั้นเป็นการฝึกที่จิตที่ใจโดยเฉพาะจิตใจของคนเรานะ่มีทุกๆคน ศาต์ใดที่ยังไม่ตายยังมีจิตยังมีใจทั้งนั้นจิตใจนี่คือผู้รู้ผู้คิดผู้นึกคนตายเนี่ยไม่มีการรู้ไม่มีคิดไม่มีนึกนั่นหลับคนตายความจริงก็ร่างอันเดียวกันนี่แหละร่างกายอันนี้แหละแต่ว่ามันมี สิ่งลึกลับอยู่ในนั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้เป็นผู้คิดมันมีอยู่ในนั้นมันยึงเป็นคนเดินไปเดินมาถ้าโดยลำพังมีแต่ร่างกายแล้วถึงแม้จะมีมันสมองมันก็ไม่ทำงานถ้าไม่มีจะตัวนี้จะตัวผู้คิดผู้นึกเนี่ยมันไม่มีตัวนี้มันไม่ทำงานหรอก อย่างคนตายเนะบางคนตายสมองก็ยังดีอยู่มันก็ไม่ทํางานแล้วทีนี้ถ้าเปรียบก็เหมือนกับรถนี่แหละรถยนต์ก็ต้องมีผู้ขับผู้ขับไปผู้ขับผู้ขีอย่างนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละทีนี้เราการจุดนี่เนะี่ยฝุดกาย ฝึกวาจาแล้วฝึกใจในที่สุดนี่คือท่านการฝึกกายฝึกวาจาก็ เ, าเพื่อจะมาฝึกใจนี่แหละเป็นที่สุดการฝึกกายฝึกวาจาก็อย่างเช่นเราให้ทานนักดาศินก็เป็นการทําให้จิตใจของเรานี่อ่อนน้อมลงน้อมลงไปสู่ความดีน้อมลงไปสู่ความสมบงบความร่มเย็ยนะ มันได้ผลเกิดมาที่ใจถ้าใครทาทานแล้วยังไม่เกิดความรู้สึกเบิกบานร่มเย็ยนในใจแล้วล่ะกอ็อันนั้นเรียกว่ายังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลจากการให้ทานแต่ถ้าเมื่อใดให้ทานทาบุญทาทานไปแล้วเกิดความปราบปลื้มยินดีเบิกบานในใจใจิตใจสงบร่มเย็นปลื้มปิติอันนั้นละ่ะ ได้ผลแล้วคือบุญก็ดีอุจนก็ดีผลของบุญมันประทับอยู่ที่ใจรักษาศีลก็เหมือนกันการรักษาศีลถ้าใครรักษาศีลแล้วรู้สึกยังเป็นเรื่องเบียดเบียนตนเองเป็นเรื่องบังคับเป็นเรื่องบังคับเป็นเรื่องเบียดเบียนกับตนเองแล้วพอรู้สึกเดียดร้อนอันนั้นยังไม่ได้อานิสงส์ ยังไม่ได้ความร่มเย็นในใจในแต่ความเดือดร้อนอย่างนั้นยังไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรรักษาศีลแล้วมองเห็นประโยชน์เห็นว่าศีลนี่ดีเปรียกเสมือนรู้ว่าเปรียกเสมือนกําแพงที่คอยกั้นกั้นผู้ร้ายไม่ให้เข้ามาลังควานไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนเราถ้าอย่างนั้นเราก็เกิดความรู้สึกว่าร่มเย็นใจ หางกังวลคลายใจคลายใจต่อความชั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาเลยความรู้สึกดีใจสีนี้ดีแทๆ้ๆอย่างนี้เรียกว่าได้ผลแล้วที่นี่ผลของความดีนี่แหะว่าอยู่ที่ใจนั่นแหละกระตัง้งจิตใจระเบิดบานร่มเย็นจิตใจคลายความกังวลต่างๆลงหมดนี่จิตใจก็ไม่แสบสายเหมือนร่มเย็น ถ้าคนที่ยังไม่รักษาสินพิษภัยต่างๆมันก็เข้ามาทางทางปากว่างทางตาทางหูทางอะไรต่างๆทางนิสัยไม่ดีของเราเป็นเหตุให้ความเดือดร้อนเข้ามาแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าสิ่เหล่านั้นไม่ดีมาตั้งใจงดงดนิสัยที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นของเราที่มันเป็นเหตุจะให้นำความเดือดร้อน เขามาสูจ่จิตใจเรางดเแียนั้นเมื่องดได้แล้วเกิดความตรึกขึ้นยินดีเบิกบานร่มเย็นในใจเห็นว่าต่อไปนี้เราพ้นแล้วพ้นจากใครอันตรายต่างๆที่มันเคยเกิดมีขึ้นมาแต่ก่อนนี้นะ่ะพ้นแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็าจิตใจร่มเย็นนี่ยเป็นผลแล้วเพราะฉะนั้นการให้ทานก็ดีดาการละกาจินก็ดี มันจึงได้ผลมารวมอยู่ที่ใจเวลาเรามาภาวนาโดยเฉพาะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเป็นการฝึกที่ใจโดยเฉพาะเรื่อนี้เขาแรกเขาให้ทานเขอลักดาถึงนั้นเป็นการกระทำโดยอ้อมค้อมทำโดยรอบๆก่อนรอบๆแล้วค่อยแ่ชั้นงงเข้ามา ในชั้นวงเข้ามาจนในที่สุดมาถึงนั่งภาวนาเป็นการกระทาที่ใจโดยเฉพาะกลา่าวก็คือว่าจิตใจที่เคยเป่นพ่านไปก็ถูกประชับถูกโอกถูกล้อมถูกต้อนค่อยๆจะล่อมให้วงแคบลงแคบลงด้วยอาวุธโดวยวิธีการคือทานคือรักษาศีลพอมาถึงการภาวนานี่เราก็มีวิธีอีก รวบรวมให้จิตใจตีวงแคบเข้ามาอีกให้จิตใจมันไม่เล้นผ่านไปวิธีของเราก็คือการที่พยายามกำหนดให้จิตคิดกดคิดอยู่เรื่องเดียวคิดกดคิดน้อยๆเรื่องน้อยเรื่องน้อยเรื่องแล้วก็เห็นเรื่องเดียวม่นคิดที่เรื่องเดียวมันก็งานไม่เยอะถ้าเราเทียบถึงว่า ค่าสึกของจิตใจที่จะสงบมันสงบไม่ได้เพรมีค่าสึกคืออารมณ์มันหลายอารมณ์มันมากทีนี้ถ้าค่าสึกมากมันก็ไม่สามารถจะสู้ได้ก็ปัน่นป่วนนี่ถ้าเราให้คิดฝึกหัดให้คิดอารมณ์เดียวประมายความว่าิจิตกันอารมณ์อื่นออกไปจิตกันประตูอื่นจิตกันผู้ต่อสู้อื่นออกไปจ้ะ มันก็เหลือต่อสู้อยู่หน้าเดียวอย่างนี้สู้ง่ายหน่อยการภาวนาที่ครูบาอาจารย์ถึงกล่าวไว้เราสุกที่ใจเนี่ยฝึกภาวนาให้ใจลงสู่ความสงบอันนี้จะทำให้เกิดกำลังจิตใจของเราเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องให้มีกำลัง จะต้องให้มีกำลังเสียก่อนถ้าไม่มีกำลังเสียก่อนแล้วมันจะกระเสือกกระสนไปทำอะไรต่างๆมันไม่เป็นผลมันไม่เป็นผลทั้งนั้นนะ่ะเหมือนอย่างเราเนี่ยถ้าร่างกายมันยัไม่แข็งแรงเสียก่อนเนี่ยจะเอาไปวิ่งมันก็วิ่งไม่ได้จะให้เดินไปมันก็เดินไม่ได้จะให้กานไปมันก็การไม่ได้จะให้เฉลือดเฉลียไปมันก็ไปไม่ไหว ต้องให้มันมีแรงซะก่อนแรงของจิตกําลังของจิตเนี่ยอยู่ในรูปสติสมาธิสตินั้นปัญญะสมาธิสรุปแล้วก็คืออยู่ในรูปของสมาธิการที่เราจะทําจิตให้ลงสู่ความเป็นสมาธิคือความมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังทําได้โดยใช้อุ ป, ปรกรณ์ก็คือสตินั้นปัญญะ จิตใจตามธรรมดานั้นนะคิดไปนู่นคิดไปนี่มากมายอันมันคิดไปมากมายนั่นแหละเราฝึกใหม่ฝึกไม่ใสคิดไปมากมายนั่นใหม่ไม่เอาคิดมาอย่างเดียวเรื่องเดียวท่านนิยมให้คิดกลับมาที่ตัวของตัวเองพระพุทธเจ้าสอนไวนในมหาสติปัฏฐานสูตนั่นนหะเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรม สีประการนี่ลหละกายเมตนาจิตและกรรมมีสี่ประการเนี่ยให้เอาสี่อย่างนี้เป็นเป้าเป็นที่สาหรับให้ฝึกฝึกสติอย่างเช่นว่าเราระลึกตามธรรมดาคนเราไม่ระลึกกลับมาที่ตัวเองมันไม่ระลึกมาที่กาย กายในยทันกุหมายก็ว่ากายของเรากายของตัวเองเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่ละลึกกลับมาที่กายเราต้องฝึกมันต้องฝึกฝึกให้จิตนี่ยนะมันละลึกกลับมาเพโดยอย่างที่เรานั่งอยู่นี่แหละแทนที่จะละลึกไปหน้าวัดละลึกไปที่บ้านบางคนละลึกไปที่บ้านก็มีนะละลึกไปถึงลูกละลึกไปถึงภรรยาสามี ระ ล, ลึกไปถึงเพื่อนถึงงานอะไรนะแทนที่จะทำอยางนั้นแล้วลึกกลับมาที่ตัวเราตัวของตนเองเนี่ยที่นั่นเนี่ยระ ล, ลึกกลับมาเนี้ยเมื่อระลึกกลับมาความรู้ตัวมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่ระลึกกลับมาระ ล, ลึกไปแต่ข้างนอกระ ล, ลึกไปแต่ลูกแต่เจ้าแต่ครอบแต่ครัวแต่กรุงเทพแต่บ้านมันก็ไปรู้จักบ้านนี่แหละมันไม่รู้ตัวหรอก ต้องระลึกกลับมาที่ตัวเองแล้วมันความรู้ตัวจะเกิดขึ้นท่านบอกว่าให้ระลึกมาที่ตัวเองันยังยังใช้คําว่ากายระลึกกลับมาที่กายเนี่ยระลึกมาที่กายมันก็มีหลายส่วนจะระลึกมาที่ไหนที่หัวแม่เท้าที่จมูกที่หูที่หัวเข่าที่ก้นมันได้ทั้งนั้นอ่ะได้ทั้งนั้น หรือว่าจะให้ vraag, อยากยิ่งกว่านั้นให้ enfin, ระลึก e. มันท <vad it S 2> <vess. S 1> ั้งตัวเลยระลึกมาเห็นทั้งตัวนี่ท่านบอกว่าให้ระลึกมาที่ตัวเองเมื่อนั่งอยู่ก็พึงรู้ว่าเรานั่งนี่เอาทั้งตัวเลยตอนนี้เอาทั้งตัวเมื่อนั่งอยู่ก็พึงรู้ว่าเรานั่งถ้าเราไปเดินโยกลมลเมื่อเดินอยู่เราก็พึงรู้ว่าเราเดินเพียงรับร <Today, fim alam. S 2> ู้เ <hi> ท <yo> ่าน <arching> ั้นถ้าระลึกกลับมาที่ตัวเองแล้วมันย่อมรู้ รู้ว่าตัวเดินอยู่ ร, รู้อย่างนั้นน่ะรู้เดินไปก็รู้อยู่เดินกลับมาอีกก็รู้เดินไปก็รู้เดินมาก็รู้อยู่อย่างนั้นน่ะทรงความรู้จักตัวเองไว้ให้มันติดต่อกันไว้อย่าให้มันขาดช่วงนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันระลึกกลับมาแล้วเนี่ยมันก็เห็นอะเมื่อนั่งอยู่็่าคุณรู้ว่าเรานั่งแล้วก็รู้อยู่เนี่ย ทำความรู้จักถือว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ให้มันติดต่อกันไปยาวๆนานๆทีแรกมันก็ไม่ค่อยนานแหละแล้วพอรู้ตัวอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะของนั่งอยู่แ็นแข้ง ข, ข, ขา อ, อยู่อะไรตรงนี้แขงขาอยู่ตรงนี้มือไม้อยู่ตรงนี้รู้จักว่านั่งอยู่เนี่ยสักประเดี๋ยวมันก็แวกรบก ไ, ไปรู้นู่นเลยเลื่อนไม่กลับมา พอมารู้ตัวนี่ก็พยายามทรงตามรู้ตัวไว้นานๆให้ได้นานๆพอมันจะแวบไปอีกพอเรารู้ทันก็แน่ ๆ, ๆอย่าไปสิก็ไม่ให้มันไปเมื่อก่อรู้ตัวไปนี่เรียกว่าเราคอยประคับประคองไม่ให้จิตหนีไปจากรู้ตัวทีนี้ท่านบอกว่าถ้าเราจะทำสมาธิ ครูบาอาจารย์เป็นคนแนะนําให้เอาพุทโธให้เอารมหายใจซึ่งพุทโธหรือลมหายใจก็อยู่ในเรานี่แหละหมายความว่าให้เฝ้าเนี่ยมันเล็กลงเหมือนอย่างวงกลมเนี่ยวงใหญ่ๆเนี่ยนะให้วงมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วมันจะได้จุดสูงกลางมันจะเข้ามาที่จุดสูงกลางมันนี่เราเอาเล็กลงเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นลมหายใจจ้ะลมหายใจเข้า ก็รู้จักลมหายใจออกก็รู้จักหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักรับรู้อยู่อย่างนี้ทําความรู้จักอยู่อย่างนี้เบาาไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรหรอกทำเบาเพียงแต่รับรู้เท่านั้นน่ะรับรู้อยู่ว่ามันมีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนมันมีอยู่นี่น่ะเรารับรู้อยู่ถ้าเรารับรู้อยู่ตราบใดมันไม่หายหรอกลมหายใจนั่นน่ะมันไม่หาย ขนาดที่ว่าเราหลับไปเถอะไปไม่ยังหายใจอยู่เลยทีนี้แทนที่จะมันหายใจอยู่โดยที่เราไม่รับรู้นะเรามารับรู้มันเถอนี่แหละประโยชน์มันจะได้ตรงนี้แหละถ้าจิตอยู่กับเรื่องไหนนานๆจิตจะมีกำลังเราอยู่จิตใจเราสามารถอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรับรู้อยู่ตรงนี้ได้นานๆ อันนั้นแหละอารมณ์ที่หายใจเข้าหายใจออกจิตที่จับอยู่นั่นเรียกว่าเอกขตาอารมอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราพยายามจะล่อมไว้พยายามประคับประคองไว้มันก็แอบจะหนีแหละมีแรกๆรกนะ่ะแตแเ่เราเราทําบ่อยๆทํามากๆในที่สุดมันจะเกิดเป็นนิสัยของมันนิสัยของจิต ถ้าเรากำหนดให้อยู่เราไม่แต่แล้วมันอยู่อะไรตัว น, นี้มันไม่ไปหรือการไปมันก็ไปน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดกาหนดปั๊บมันอยู่เลยรู้จักเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นเอกขารมมนั่นทําอย่างนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันความมันจะมาอยู่ในอารมณ์เดียวนี้ฝุดต้องฝึกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกหลายทีทีนี้ เมื่อมันหลายทีในที่สุดมันก็ชานาญมันก็รู้จักถ้ากําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันอยู่เลยอยู่แล้วมืออยู่นิ่งๆประคับประคองอยู่นิ่งๆอย่างนั้นเนี่ยจะเริ่มรู้สึกสบายแล้วจะเริ่มรู้สึกลมเด็นแล้วในจิตใจไม่ทุ่งท่าไม่ร้อนไม่ร้อนละก็ประคับประคองอย่างนั้นอะไว้ไประยะหนึ่งอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้ อาจจะครั้งต่อไปหลายทีหลายทีครับในที่สุดมันจะถึงความพอดีของมันสักทีหนึ่งแล้วมันจะแอบวางอันนั้นจะแอบวางอารมณ์อันเดียวคือวางลมหายใจนะี่ยพอวางลมหายใจวัดจิตมันก็จะไปเหลืออยู่อันเดียวคือเหลืออยู่แต่จิตตัวนี้เหลืออยู่แต่จิตมันก็จะมีอาการคล้ายๆกับมู๊หรือแวบ๊บ ไปเนื่องจากว่ามันเหมือนกันกันกบเหมือนกับที่เราเอามือข้างเดียวเหนียวดิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอดีเราเผลอมือเลยคลายออกเลยหล่นลงมาวูบลงมาอย่างนั้นมันมีอาการอย่างนั้นหรือไม่ก็เหมือนกับเราถืออะไรอยู่แล้วเราเผลอไปมันหลุดจากมือนั่นอ่ะมันจะมีอาการอย่างนั้นคือมันเป็นอาการของจิตที่ ถืออยู่เรื่องเดียวคือเรื่องลมหายใจมันก็วางลมหายใจได้อีกมันก็เลยไม่มีอะไรจะยึดคือจิตนี่มันมีนิสัยไปยึดนั่นยึดนี่อยู่พอมันยึดมาจนถึงสุดท้ายต้องให้ยึดอันเดียวคือลมหายใจมันแอบวางได้อีกมันก็เลยเฟ้งฟางมันมันจะลงสู่ความสงบนิ่งมันก็เลยตกใจจะมีอาการสะดุ้งบังจะมีอาการแหวกบัง แต่บางคนก็ไม่สะดุ้งแต่รู้สึกว่ามันวางมันมันไม่คิดมันไม่คิดลมหายใจเลยแต่มันอยู่นิ่งจสงบลงไปเลยก็มีค่อยๆสงบลงไปก็นี้เมื่มอจิตวางอารมณ์อันเดียวนี้แล้วมันจะลงไปอยู่เป็นตัดเป็นส่วนของมันหรืที่อยู่นิ่งอยู่นิ่งแล้วไม่รับรู้อะไรหละลมหายใจก็ไม่รับรู้แต่ก่อนนี่รับรู้เยอะหลายเรื่องต่อมาก็เหลือแต่ลมหายใจ ต่อมาลมไปแล้วไม่รู้เลยอันนี้ลมหายใจก็งมันนี้เป็รู้ตัวอยู่รู้ตัวเองรู้ว่าตนเองไม่ได้รับไม่ได้เจอะแต่ลมหายใจไม่มีคือไม่ได้ไปสังเกตเลยลมหายใจไม่ได้ไปรับรู้เลยจิตอยู่อย่างนั้นได้จะเป็นจิตที่รมเย็นอยู่สบ้ายไม่มีอันไหนจะสบายเขาจิต ที่กำลังจะปล่อยวางอารมณ์และกำลังจะลงไปสู่ความอยู่นิ่งเฉยนั้นตอนที่จะปล่อยอารมณ์เขาเรียกว่าอุปจาระคล้ายๆเราเราจะเข้าประตูนี่แหละเข้าจากข้างนอกมาข้างในเนี่ยเดี๋ยวตรงประตูนี่เขาเรียกว่าอุปจาระอีกตัวมือนกันในขณะที่จะปล่อยอารมณ์จะวางอารมณ์ก็จะมีวุ้มวูบเา จะมีบางทีก็ได้ยินบางทีก็ไม่ได้ยินถ้าเราฟังเทศของหลวงปู่นะฟังไปตั้งใจกำหนดนิ่งอยู่นะไม่ทรงไปไหนตั้งใจฟังบเบางนิ่งๆอยู่นี่ที่ได้ยินบางทีก็ไม่ได้ยินบางทีก็ได้ยินบางทีก็หายไปเลยแต่เราไม่ได้หลับนะไม่ได้เผลอไม่ได้หลับสักปรเดียเด๋ยวก็ได้ยินอีกแล้วสักปเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินอันนั้นเป็นอุปจาระ จิตกำลังจะปล่อยวางไอ้ที่ได้ยินแม้กระทั่งอันเดียวเนี่ยมันไปจะปล่อยแล้วก็ไปกลายเป็นมไม่ได้ยินไม่มีอะไรเป็นอุปจาระแต่ถ้าจิตเข้าไปแล้วไป น, นิ่งอยู่ข้างนังนู่นข้างนอกไปรับรู้เลยจะเสียงดังเท่าไหร่ดังขนาดไหนมันก็ไม่รู้จักเสียงเพศของน้องผู้นี่บางทีหมดไปกันหนึ่งเลยเลยไม่รู้ไม่ไปอยู่ใน น, นู่นเงียบอยู่นิ่งคนเดียวกสบาย ต่อเมื่อถอนมาอีกทีหนึ่งเมื่อมารู้สึกอีกทีหนึ่งอ้าวจบแตแล้วหูเพื่อนเขาได้วเวลาเลิกแต่ว่าไม่ได้เผลอเลยในระยะนั้นรู้สึกว่าแว๊บเดียวเนั้นน่ะนิดเดียวเดียวเดียวในช่วงที่มันเดียวเดียวเราไม่รู้อะไรข้างนอกนั่นแ่ะเป็นอัปปนาสมาธิมันเข้าไปอยู่ส่วนตัวของมันในนั้นแล้วก็มันไม่รับรู้อะไรข้างนอกหรอกการที่เราสามารถ ทำจิตให้ลงสู่ความสงบได้นี่นี่มันเป็นศิลปะทั้งยอดเยี่ยมที่สุดของมวลมนุษย์ที่สมควรจะทำให้มันได้ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ทำอันนี้เลยแล้วถ้าอยากจะพูดว่าเสียทาาเกิดมาอยู่สุดถ้าทำอันนี้ได้แล้วตรงนี้แหละจะเป็นที่ที่เราจะหวังจะพึ่งได้ความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่างๆจิตใจที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงอ่อนละโหย จิตใจไม่สู้จิตใจพ้งท่านเลยจะหายหมดถ้าเผื่อเราสามารถทาความสงบลงได้อย่างนี้มันจะเป็นตัวที่คอยแก้ปัญหาต่างๆได้หมดทุกประการเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเป็นเรื่องจำเป็นมันจงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราควรจะฝึกให้มันได้ทีนี้สรุปแล้วก็คือว่าถ้าพิจารณาดูการที่ เราสูกอย่างนี้เราสามารถถึงแท่ว่าเราพยายามจะล่อมไม่ให้จิตมันคิดมากเรื่องให้มันคิดน้อยลงน้อยลงให้มันเหลืออย่างเดียวให้มันเลลมหายใจเขา้าลมหายใจออกแล้วเราพยายามประคับประคองไว้ประคับประคองไว้ไม่ให้มันหนีไปไหนค่อยรับรู้อยู่นั่นล่ะแกอยู่ตรงนี้ค่อยรับรู้ว่าแกหายใจเขา้าแกก็รู้อยู่นี่ ให้รู้อยู่อย่างนี้ค่อยๆเบาๆเราทาได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ส่วนจิดนี้จะบูบบ้าบลงไปมันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นหน้าที่ของจิตเองซึ่งมันจะลงหรือไม่ลงมันเป็นหน้าที่ของมันมันความพอดำพอดีมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะลงอันความพอดีนี้ก็คือว่าเราไปบังคับมากเกินไปเราไปคอยต้อนมันเกินไปมันก็ไม่ลง แต่ถ้าเราทำเฉยๆแต่ว่าจำเรื่องจำเรื่องดูพอรับรู้เท่านั้นนะว่าลมหายใจลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมันจะลงการลงของจิตน่นนะเป็นเรื่องของจิตเองการจะลงไปสู่อุปจารสมาธิจะลงไปสู่อ ป, ปนาสมาธิการจะอยู่นานการยืนอยู่ไม่นานมันเป็นเรื่องของจิตหลวงปู่ท่านบอกว่า ถ้าจิตที่กำลังคิดไปคิดมาเน่ะเรียกว่าจิตถ้าจิตนี่มันวางอารมณ์ที่หมดและลงไปอยู่เป็นเอกเทศเรียกว่าอัาสมาธินั่นเป็นใจคือมีแต่รู้เท่านั้นมีแต่รู้เท่านั้นไม่คิดอะไรเลยอันนั้นเรียกว่าใจนี่หน้าที่ของเราคือทำอย่างไรเี่จะให้จิตมาจับอยู่กับอารมณ์เดียว ส่วนหน้าที่ต่อไปนั่นคือหน้าที่ของใจหน้าที่ของจิตเองมันจะต้องลงไปแล้วไปสงบของมันเองเราไปทําอะไรไม่ได้ถ้าเปรียบก็เหมือนว่าเราเป็นเป็นผู้เลี้ยงโคตอนฟุ้งโคมาที่ปากคอบเนี่ยเรามีหน้าที่ต้อนฟุ้งโคปากครอกต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะต้องมีศิละปะเหมือนกันถ้าต้อนแรงไปมัเตลิดหนีจากปากคอกไปิ่งขี่กระโน้น ก็ปไปไล่ต้อนมาอีกต้อนแรงเกินไปก็ปเจ อ, เ จ, อจะเจองหนีออกไปทางโน้นนี่แล้วไม่เข้าคอกอี่แหละเราต้องมีวิธีการต้องพยายามพยายามต้อนมัวผุ่มนั่นน่ะมาตรงปากขอกแล้วระวังไว้ค่อยๆเบาๆอย่าอย่ า, า, ยาให้มันแตกตื่นที่นี่หน้าที่ที่จะเข้าคอกมันเป็นหน้าที่ของงัวไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือ ขยันในการต้อนหน้าที่ของัวคือถ้าต้อนมามาถึงที่แล้วถ้าเราต้อนมาถึงที่บ่อยหน้าที่มันมีหน้าที่ลงมันก็ลงบ่อยเหมือนกันจิตนี่เป็นอย่างนั้นเราให้โอกาสมันมากมันก็ได้โอกาสมากเราก็ชำนาญในการจะจะต้อนเราชำนาญในการจะกำหนดเป็นเอกาตาโ์จิตมันก็ชำนาญในการจะลงสู่ความเป็นอุปจาระลงสู่อัปปนา มันจะทำนานในการกิดรวมผู้งานนะถ้าเราเราทำนานในการทำจิตให้เป็นเอกสัตว์รมจิตมันก็จะทำนานในการรวมเราทำภาวนาทำอันนิห ล, ละก่อนถ้าทำอย่างนี้ได้จนชำนาญคือหมายความว่ากำหนดให้อยู่กับอารมณ์เดียวก็ได้ชำนาญ จิตมันก็ชำนานเพามันเหมือนกันพอกำหนดว่าอารมณ์เดียวมันรูปตรงเลยทุกทีไปนี่เรียกว่าํำนานอย่างนี้แหละจะเป็นผู้มีจิตใจมีกำลังมีความเชื่อมั่นมีความมั่นคงเราไปอยู่ที่ไหนที่มันเกิดความวุ่นวายกำหนดจิตอยู่ทันทีลงทันทีสงบทันทีถ้าทำได้อย่างนี้ความเดือดร้อนอะไรต่างๆสามารถจะลดลงไปได้มากลดลงไปในทันที ความสุขที่เขาคิดว่าเขาจะหากันความสุขในโลกนี่นะเราทำอย่างนี้แหละได้ความสุขเกิดขึ้นมาในทันทีดีเดียวใครจะพูดถึงว่าความพ้นทุกข์ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็สามารถจะพ้นทุกข์ไปได้ครึ่งต่อครึ่งทุกทั้งหลายในโลกเนี่ยสามารถบรรเทาลงได้ทันทีครึ่งต่อครึ่งแล้วถึงแม้ยังไม่หมดแต่ก็ลงได้เป็นจํานวนมาก อันนี้เรียกว่าเป็นการฝุกส่วนหนึ่งของการฝุกจิตฝึกใจอยกว่าปฝุกในภาคกําลังให้จิตมีกําลังกด้ปัเมื่อเรามีกําลังแล้วเราไปใช้ถ้บเรามีต้นทุนแล้วถึงจะมีปากมีเสียงพอจะมีกําลังต่อรองกันได้ถ้าจิตมีกําลังแล้วจะเอาไปทําอะไรจะไปพิจารณาอะไรมันก็จะสามารถจะพิจารณาได้ตลอดรัชฟังเหมือนกับเราที่ จะเดินทางเนี่ยน่ะจะเดินทางไปนน่นไปลน้นถ้าเรากัดจุนกะเบียงอาหารหรือสั่งสมกําลังของตนเองไว้เพียงพอแล้วเราก็เดินทางไปถึงโน่นมันถึงถ้าสั่งสมได้ไม่พอมันก็ไปได้สักหน่อยนึ่งมันก็หมดแรงก็แอบแนงอยู่ตรงนั้นมันก็ไปไม่ถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําความพลาดคมเพียงของเราเนี่ย ให้ทําพยายามทําบ่อยๆพยายามทําให้มากๆทําให้ทานานเป็นเรื่องดีมากอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะอาศัยสมาธิช่วยกันสามสามอย่างเนี่ยเชื่อกันอยู่เสมอเสมอแม้กระทั่งออกมาจากความสงบแล้วเราก็ต้องทรงไว้โดยสติตรงไว้โดยสัมปชัญญะคือหมายถึงว่าจิตที่ออกมาจากความสงบอัปปนาสมาธิแล้ว มันจะมีความร่มเย็นเบิกบานใจจิตใจเบิกบานทีเดี๋ยวร่มเย็นไม่กระับกระตายที่ั้นให้เรามีสัมปชัญญะคือความรู้ครานี้รู้อยู่เรื่อยรู้ตัวอยู่เรื่อยว่าจิตเราสงบดีอยู่สำรวจดูพยายามรับรู้ผิตของตนเองไว้เรื่อยนี่อย่างนี้เลยว่าประคับประคองไอ้สิ่งที่เราได้มาแล้วมันดีๆแล้วนะรู้จักประคับประคองไว้ พูดอย่างนี้แหละวิธีพูดกันต่อไปนี้เราฟังเทศขอ ง, ลงหลวงปู่มานั่งทาฟังสงบกําหนดจิตกําหนดใจไว้อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราฟังเทศหลวงปู่กำหนดจิตนิ่งๆไว้ตรงนี้เสียงเทศของหลวงปู่มาได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ไม่เป็นไรแต่แต่ว่าจิตใจอย่าให้หนีเสียงมาเองเราได้ยินอยู่ที่หูนี่ฟังไปฟังไปเรื่อยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าให้หนีจิต